จะยังบริโภคการ ม, มาสุขก็ต้องมีปัญญารักษาอิสรภาพไว้รู้หนทางปลอดภัยจากการ ม, มาทุกข์อย่างไรก็ตามพึงตรหนักว่าตามปกติกรร ม, มาสุขกับความสุขอย่างประณีตนั้นไปด้วยกันไม่ค่อยได้เพราะการ ม, มาสุขพัวพันอยู่กับอารมณ์ที่ให้ตื่นเต้นประกอบด้วยความเร่าร้อนกระวนกระวาย หาอารมณ์มาสนองระ ง, งับให้เกิดความสงบส่วนความสุขประนีดเริ่มต้นจากความสงบดังจะเห็นว่าชาณสุขจะเกิดขึ้นต่อเมื่อจิตสงดจากกามสงดจากอากุศลธรรมทั้งหลายก่อนดังนั้นสำหรับปุถุชนการที่จะเสวยทั้งกามมาสุขและทั้งได้ความสุขประนีดโดยเฉพาะชาณสุขด้วยจึงเป็นไปได้ยาก เพราะปุถุชนพอใจอะไรแล้วมักติดมักหมกมุ่นหลงไหลง่ายเมื่อฟุ้งซ่านกรวนกระวายเพลิดไปด้วยแรงปรารถนากราร ม, มาสุขแล้ว <c oughs> ก็ยากที่จะให้สงบเข้าสู่แนวแห่งฌานาสุขจึงปรากฏเรื่องราวที่ฤษีและนักบวชเสื่อมจากฌานราะติดใจกามกันบ่อยๆต่อเมื่อเป็นอริยชนอย่างบุคคลโสดาบัน จึงจะอยู่กับการมาสุขได้ด้วยดีโดยปลอดภัยด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนย้ำให้รู้จักวางใจอย่างถูกต้องต่อการมาสุขให้มีปัญญาที่จะสลัดตัวออกได้ดังท่าทีในการปฏิบัติที่ตรัสไว้ต่อไปนี้ในปาสราสีสูตรท่านเปรียบการมคุณเหมือนบวงดักของในพราน และกล่าวถึงสมณพราหมณ์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ไว้สามจำพวกพวกที่หนึ่งคือสมณพราหมณ์ที่บริโภคการมคุณทั้งห้าโดยมีความติดหลงไหลหมกมุ่นไม่รู้เท่าทันเห็นโทษไม่มีปัญญาพาตัวรอดเป็นเหมือนเนื้อปลาที่ติดบ่วงและนอนทับบ่วงอยู่ยอมจะประสบความเสื่อมความพินาศถูกพรานทาเอาได้ตามปรารถนา ขอย้ำความหมายของกา ร, รมคุณห้าว่ามีใจมีขอบเขตแคบๆอย่างที่มักเข้าใจกันรูปสวยงามที่บำเรอตาเสียงไพเราะที่บำเรอหูรสอาหารอร่อยที่ถูกลิ้นสัมผัสที่นั่งที่นอนอ่อนนุ่มเป็นต้นที่ปรนเปลอกายล้วนเป็นกา ร, รมคุณทั้งสิน้นพูดง่ายๆว่ากามมีใจเฉพาะเรื่องทางเพศเท่านั้นแต่ครอบคลุมสิ่งที่เสพสวยเพื่ออาภิสุขทั้งหมด ดังนั้นแม้แต่นักบวชก็ยังเกี่ยวข้องเสพกรรมคุณได้พวกที่หนึ่งคือสมณพราหมณ์ที่บริโภคกรรมคุณทั้งห้าโดยมีความติดหลงไหลหมกมุ่นไม่รู้เท่าทาันเห็นโทษไม่มีปัญญาพาตัวรอดเป็นเหมือนเนื้อปลาที่ติดบ่วงและนอนทับบ่วงอยู่ยอมจะประสบความเสื่อมความพินาศถูกพรานทาเอาได้ตามปรารถนา พวกที่สองคือสมณพรามที่บริโภคกรรมคุณห้าโดยไม่ติดไม่หลงไหลไม่หมกมุ่นรู้เท่าทันเห็นโทษมีปัญญาพาตัวรอดได้เป็นเหมือนเนื้อปลาที่นอนทับบ่วงแต่ตัวไม่ติดบ่วงยอมจะไม่ประสบความเสื่อมความพินาศไม่ถูกพรานคือมารร้ายทำอะไรเอาตามปรารถนาพวกที่สาม คือภิกษุที่ส ง, งัดจากการปลอดจากอากุศลธรรมทั้งหลายได้บรรลุรูปฌานและอรูปฌานขั้นใดขั้นหนึ่งตลอดจนบรรลุสัญญาเวทายตานิโรธและเป็นผู้สิ้นอาสวะแล้วคือประสบสุขประณิสสูงสุดแล้วได้ชื่อว่าทําให้มานตาบอดมองไม่เห็นร่องรอยถึงภาวะที่มานมองไม่เห็นเป็นเหมือนเนื้อปลาเที่ยวไปในปลาใหญ่ จะเดินจะนั่งจะนอนก็ปลอดโปร่งเบาใจเพราะไม่อยู่ในสายตาของในพรานข้อที่ต้องการเน้นในที่นี้ก็คือตามความในสูตรนี้จะเห็นว่าพระพุทธเจ้ามิได้ทรงเพ่งแต่จะสอนให้ละเลิกความเกี่ยวข้องกับกามคุณไปทายเดียวแต่ทรงสอนให้รู้จักปฏิบัติต่อกามคุณอย่างถูกต้อง โดยยังคงความเป็นอิสระอยู่ได้ไม่ตกไปเป็นทาตของกรรมคุณและมีให้กรรมคุณกลายเป็นสิ่ง ก, ก่อโทษทุกข์ภัยการเกี่ยวข้องเสพกรรมคุณตามแบบของสมณพราหพวกที่สองนับว่าเป็นวิธีปฏิบัต R ิที่พึงเน้นมากที่สุดสำหรับคนทั่วไปตามวิธีปฏิบัติแบบนี้คำแสดงหลักที่ควรสังเกตเป็นพิเศษคือคาว่า ปัญญาพาตัวรอดซึ่งแปลาจากอิสรณะปัญญาจะแปลว่าปัญญารู้ทางรอดก็ได้หมายถึงปัญญาที่รู้จักทาตนให้เป็นอิสระได้อาจเรียกแบบง่ายๆว่าปัญญาที่ทำให้ตัณหาล่อเอาไว้ไม่อยู่หรือปัญญาที่ทำให้ตัณหาดักไม่ติด นิสรณะปัญญานี้ตามปะกะติอัรถกาถาทั้งหลายอธิบายว่ามาถึงการรู้จักพิจารณาเมื่อบริโภคใช้สอยปัจจัยสี่คำว่ารู้จักพิจารณาตรงกับปฏิสังขาโยนิโสท่ากับโยนิโสปฏิสังขาเป็นไวยพจน์คำหนึ่งของโยนิโสมนัสิกานิสรณะปัญญานี้ หมายถึงการรู้จักพิจารณาเมื่อบริโภคใช้สอยปัจจัยสี่โดยมองถึงความมุ่งหมายที่แท้จริงของการบริโภคสิ่งเหล่านั้นคือมองที่ตัวประโยชน์หรือคุณค่าที่แท้ของสิ่งเหล่านั้นต่อชีวิตเช่นใช้เครื่องนุ่งห่มเพื่อป้องกันหนาวร้อนแดดลมเหลือบยุงและปกปิดที่อายมีใช้มุ่งเพื่อยั่วยวนอวดโกรูราเป็นต้น บริโภคอาหารเพื่อยังชีพให้ร่างกายมีกำลังอยู่สบายทากิจได้ด้วยดีมีใช่เพื่อสนุกสนานมัวเมาหรืออวดก้อฟุงเฟ้อเป็นต้นการรู้จักปฏิบัติโดยใช้ปัญญาพิจารณาอย่างนี้นอกจากจะทำให้จิตใจเป็นอิสระไม่ตกเป็นทาสของวัตถุไม่ก่อให้เกิดโทษและความทุกข์ที่เกิดจากการวกเวียนวุ่นอยู่ในวงจรอันคับแคบแห่งความหงุดหงิดดีใจเสียใจ สมใจผิดหวังแล้วยังทำให้เกิดความพอดีในการบริโภคหรือใช้สอยซึ่งเป็นคุณแก่ชีวิตอีกด้วยท่านจึงเรียกว่าการปฏิบัติด้วยนิสรณปัญญาว่าเป็นความรู้จักประมาณซึ่งบาลีบางแห่งท่านจัดเป็นการกำจัดอาสวะด้วยการใช้หรือรู้จักใช้ มีข้อควรระวังอย่างหนึ่งว่าไม่พึงสับสนระหว่างความรู้จักประมาณในการกินอาหารกับวิธีฝึกให้เป็นผู้รู้จักประมาณในการกินอาหารผู้ปฏิบัติถูกต้องต่อ ก, การมาสุขยอมก้าวหน้าไปสู่สุขที่ปราณีตได้ง่ายขึ้นเมื่อประสบสุขปราณีตแล้วสุขปราณีตนั้นก็กลับเป็นเครื่องช่วยควบคุม การสแสวงหาและการเสพการมสุขให้อยู่ในขอบเขตแห่งความถูกต้องดีงามเพราะบุคคลผู้นั้นเห็นคุณค่าของสุขประณีตที่สูงกว่าและความสุขประนีตต้องอาศัยกุศลธรรมรั้นบุคคลนั้นบรรลุภูมิธรรมสูงยิ่งขึ้นไปอีกประสบสุขประนีตยิ่งขึ้นไปอีกในที่สุดก็จะไม่วกเวียนมาหาการรมสุขอีกเลย